พระติศพระติศเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุชาของพระศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยะวงศ์พระติศบวชเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนมีลาบสาการะมากผู้หนึ่งชอบผมจีวรสีสวยรียดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสงล้อมรอบหมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลางวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูป มาเฝ้าพระาศาสดาผ่านมาเห็นพระติสระนั่งภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทำความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องการปรนิบัติเช่นท่านจะให้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสระนั่งเฉยภิกษุรูปหนึ่งในจำนว น, นนั้นถามขึ้นว่าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วยังไม่ได้พรรษาเลยท่านพระติสะตอบข้าพเจ้าบวชเมื่อแก่แล้วพระรูปนั้นกล่าวว่า ครัวตานี่ฝึกได้ยากไม่รู้จักประมาณตนเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาทำนั่งเฉยไม่ได้กระทำสิ่งที่ควรเช่นสามีจิกรรมมีคือการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นตน้นเป็นผู้ไม่มีความละอายเลยพระติสะโดนเข้าแบบนี้ก็เกิดขติยะมาละขึ้นอันหนึ่งยังถือตนด้วยว่าเป็นพระญาติของพระาศาสดาจึงถามมิสุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายมาหาใครผู้ข้าพเจ้ามาเฝ้าพระาศาสดาพระทั้งหลายตอบ ท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าคือใครพระติสสะถามอย่างไว้อำนาจข้าพเจ้าไม่ทราบเพระทั้งหลายตอบเดี๋ยวท่านก็รู้พระติสสะว่ามาเถิดไปเฝ้าพระาศาสดากันท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าคือใครว่าแล้วพระติสสะก็ลงจากศาลาไปเฝ้าพระาศาสดาความน้อยใจเสียใจที่ถูกพระพวกนั้นตอกหน้าเอาทําให้พระติสสะร้องไห้เมื่อพระาศาสดาตรัสถามจึงทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พระศาสดาตรัสตำหนิพระติสะนานาประการที่ไมได้กระทธรรมกิจอันควรแกร่อาการตุกะเช่นไม่ได้ลุกขึ้นต้อนรับไม่ได้ถามถึงการรับบริการม่ได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้ําดื่มไม่นําอาสนะมาให้ไม่ได้ถามโดยเอื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแลแล้วพระเจ้าองค์รับสั่งให้พระติสาขอโทษพระอาคารตุกะเหล่านั้นเสียแต่พระติสาม่ยอมทําอ้างว่าพระเหล่านั้นดาท่านก่อน พระพุทธองค์ตรัสว่าติสสะโทษของเธอมีอยู่จงขอโทษพระเรานีนเสียถึงกระนั้นพระติสสะก็หายอมไม่พระทั้งหลายจึงทูลว่าพระติสสะหัวดื้อว่ายากสอนอยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติสสะจะเป็นผู้ว่ายากสอนอยากแต่ในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ว่ายากสอนอยากมาแนเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เหล่าเรื่องในอดีต พระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัตวเล่าว่าในอดีตการมีดาบทูปหนึ่งชื่อเทวละอยู่ในเขตหิมมวันตับประเทศแปเดือนแล้วเข้ามาสู่เมืองพราณสีต้องการพักอยู่สักสี่เดือนเพื่อได้ลิมรสเปรี้ยวและเค็มบ้านมาขอพักอาศัยอยู่ณโรงทำหม้อของช่างหม้อคนหนึ่งนายเย็นวันเดียวกันนั้นมีดาบทีกรูปหนึ่งชื่อนารถมาจากหิมมวันตประเทศเหมือนกัน และมาขอพักที่โรงทำหม้อของช่างหม้อคนเดียวกันท่านผู้มีอายุนาระทะกล่าวทําไมเป็นการหนักใจเข้าพเจ้าขอพักในโรงทำหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดช่างหมอ้อต้องการดีกเลี่ยงความรับผิดชอบจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญในโรงทำหม้อของข้าพเจ้ามีดาบทท่านหนึ่งมาพักอยู่แล้วก่อนหน้าท่ทานเพียงเล็กน้อยหากท่านตกลงกับดาวบทนั้นได้ก็เชิญท่านตามสบายเถิด นาระทะจึงทำความตกลงกับเทวละเทวละยินยอมบอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนาเมื่อถึงเวลานอนนาระทะได้กำหนดเวลา ว, ว่าเทวละนอนตรงนั้นตรงนั้นเพื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจักได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่พอเวลานอนจริงเทวละกลับไปนอนขวางประตูเสียตอนดึกนาระทะออกไปจึงเหยียบเอาชดาเข้าใครเทวละถาม ผมเองนารทะทรรมาเหยียบชดาเราผมไม่ได้แกล้งครับท่านอาจารย์เมื่อตอนหัวค่าท่านนอนตรงโ น, น้นท่านมานอนกวางประตูเมื่อไหร่ผมไม่เห็นขอโทษด้วยว่าแล้วนารทะก็ออกไปส่วนเทวละคิดว่าขากลับเข้ามานารทะอาจเหยียบชดาเอาอีกจึงนอนกลับศีรษะไปอีกทางหนึ่งพอนารทะกลับเข้ามาคราวนี้เหยียบเขาก้กานคอเทวละโกรธมากแม้นารทะพยายามขอโทษเท่าไหร่ก็ไม่ยอม กล่าวคำสั่งว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ศีรษะของนารทะแตกเป็นเจ็ดเสียงฝ่ายนารทะก็กล่าวบ้างว่าใครมีความผิดขอให้ศีรษะของผู้นั้นแตกเป็นเจ็ดเสียงก้ น, นารทะนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากระลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึงแปดสิบกับคือในอดีตสี่สิบกับในอนาคตสี่สิบกับจึงลองไข่ครววดู ว, ว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะของใครจะแตก ได้รู้ว่าสีรษะของเทวราชแตกเกิดจิตเมตตาจึงใช้อานุภาพของตนห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นกลางคืนนานเกินไปประชาชนก็เดือดร้อนจึงพากันไปเฝ้าพระราชาขอให้ทําให้พระอาทิตย์ขึ้นพระราชาทรงสํารวจพระจรักรยานวัตดทั้งปวงของพระองค์ก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องอันใดอันใดทรงเฉลียวพระทัยถึงการวิวาทของพวกนักรตว่า อาจมีในนครของพระองค์จึงตรัสถามประชาชนส่งทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักรตประเภทดาบดสองท่านมาพักที่บ้านช่างหมอไกล้เมืองพระราชาทรงแน่พระไถว์ว่าการที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นครั้งนี้คงเนื่องมาจากการทะเลาะ ข, ของดาว ท, ทั้งสองเป็นแน่นอนจึงเสด็จไปพร้อมด้วยขราชบริพารและประชาชนเป็นอันมากได้ส่งทราบเรื่องทั้งปวงจากเทวราดาบดตรัสถามว่า ทำอย่างไรเทวระจึงจะพ้นอันตรายนารทาดาบถวายพระพรว่าต้องให้เทวระขอโทษท่านเมื่อท่านคลายดิษพระอาทิตย์ขึ้นมาเทวระก็จะปลอดภัยพระราชาทรงขอร้องให้เทวระดาบถขอโทษแต่เทวระไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวระดาบถแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนารทะนารทาทูลว่าการขอโทษดังนี้เทวระไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจหาพ้นโทษใหม่ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาสีสะจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสี่ยงนารทธาจึงออกบายให้นำเทวละลงไปแช่ในสระน้ำให้เอาดินเหนียวพอกศีษะไว้พอท่านคลายดิบให้เทวละดำไปผุด ท, ที่อื่นเสียเทวละดำหมดได้ทำดังนั้นนารทะคลายดิบพระอาทิตย์ขึ้นมาเทวละดำน้ำลงไปผุดในที่อีกแห่งหนึ่งส่วนดินเหนียวได้แตกเป็นเจ็ดเสี่ยงพระศาสดาตรัสประชุมชาบอกว่า พระราชาในการนั้นคือพระอานนุนเทวราดาบดเป็นพระติสหัวฤกษ์ <c oughs> ส่วนนารธาดาบดคือพระองค์เองแลแล้วได้ตรัสกับพระติสห์ว่าดูก่อนติสั์เมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าผู้โน้นฆ่าเราประหารเราชนะเราลักสิ่งของของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวรของเขาย่อมระงับลง